พระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศีมหาวีโรวัดประชาคมวณารามอําเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพระอริยเจ้าผู้มากล้นด้วยบุญบารมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศีมหาวีโรท่านเป็นสิทธิรุ่นสุดท้ายของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการที่กระทำบำเพญมาแต่บุเพชาตลาบสการะชื่อเสียง ปรากฏขึ้นเหมือนของทิพย์ที่หลั่งไหลมาจากสวงสวรรค์ท่านได้รับการยกย่องจากหลวงตามหาบุว ญ, ญาณสัมปันโนว่าเป็นพระผู้มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในปีพุทธศักราช2506โดยได้รับอุบายธรรมอันแยบยนต์จากหลวงปู่บัวสิริปุนโนที่วัดป่าบ้านหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านมีเบื้องหลัง คือปฏิปทาอันแก่งกล้าน่าอัศจรรย์สู้ตายเพื่อทำกรัมศึกในทุดงดขวัตหาผู้เปรียบได้ยากด้วยวัตปฏิบัติและปฏิปทาอันนำมาซึ่งความเลื่อมใสสาธุชนทั้งหลายจึงพากันหลังไหลกันมามากขึ้นโดยลำดับมีพระภิกษุสามนเณรและสานุสิ์มากมายทั่วประเทศและต่างแดนเช่นอินเดียจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา ท่านได้ก่อสร้างถาวรวัตถุที่วัดประชาคมวนารามวัดผาน้ำย้อยและวัดสาขา145สาขาทั่วประเทศถาวรวัตถุที่สำคัญยิ่งอันเป็นมิ่งสีแห่งพระบวรพุทธศาสนาที่วัดเจดีย์ชัยมงคลคือพระมหาเจดีย์ชัยมงคลบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของถูปาระหบุคคลเพื่อเป็นที่สักการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บนยอดเขาผ่าน้ำย้อยอันงามสง่าเทียมฟ้าท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธามั่นคงยังรากฝังลึกลงในพระธรรมของพระตถาคตเจ้าแล้วและเป็นผู้ถึงซึ่งการนับได้ว่าสมณะสากยะปุตติยะโดยแท้คือท่านเป็นบุตรเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับแรม8ดค่าเดือน6ปีมามีย นาบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนายอ่อนสีและนางถุงจ้อยปากกสีนางมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่ท่านเป็นบุตรคนที่6ในพี่น้องรวมกันสิเอคนหลวงปู่ศีมหาวีโรเล่าเรื่องอำเภอ ว, ว, า, วาปีประทุมไว้ว่าวาปีประทุมไม่มีภูเขาเหล่ากาไม่มีทิวผาเหวถ้ำคนถิ่นแถวนี้เดิมย้ายถิ่นฐาน หนีภัยสงครามราชภัยและทุพพิกภัยคือความอดอยากแร้นแค้นมาจากทางย่านดอนมุดแดงนครจำปาสักประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามอาณาเขตของอำเภอวาปีประทุมที่ใต้ติดต่อกับอำเภอพยกระภูมดินแดนเสือโครง่งเสือเหลืองมีป่าดงตลอดแนวคือดงบังกุดอ้อนาเชือก ทอดยาวไปถึงนาดูนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นป่าดงครั่งดงไม้เหล่าดงป่าแดงดงขมิ่นด้านทิศตะวันออกเป็นป่าดงไม้เข่งซึ่งเป็นพันไม้งามทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของวาปีปทุมเป็นป่าดงโคกโจดหว้ายาวแดงเงาะโคกใหญ่เป็นป่าดงดิบติดเศตเสือโกกซึ่งเคยเป็นทางเสือผ่านคือระหว่างทางจากตำบลห น, นองไฮ ถึงตำบลเสือโกกในปัจจุบันทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีป่าดงตลอดแนวคือดงเข็งดงหนองแคนจรดดงใหญ่โคกสีทองหลางโคกเธอเลอร์ดงขามป้อมซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปูศ่ศรีหลวงปู่ศรีเล่าว่าในสมัยเราเป็นเด็กตามลำห้วยหรือหนองคลองเบึงใหญ่ๆ ใ, ใกล้ๆราวป่าแถวถิ่นบ้านขามป้อมในเวลาเช้าเย็น มักจะเห็นฝูงสัตว์ป่าลิงข้างบางชนีหรือสัตว์ประเภทอื่นๆพากันลงมาจินน้ำกันเป็นประจำบ้านขามป้อมซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราก็เหมือนกับบ้านชาวอีสานทั่วไปตั้งอยู่่้ำกลางท้องทุ่งหน้าน า, นาปลูกข้าวหน้าหนาวปลูกผักเสร็จจากฤดูทำนาก็ทำไร่ทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวฟ่างถั่วเผือกปอมันนอกจากนั้นยังปลูกผักสวนครัวนานาช น, นิดสำหรับบิดาของเรา ทำงานหนักเอาเบาสู้ปฏิบัติตามคำสอนบุรพชนอีสานที่ว่าลูกเตดึกไปไ้กรอนกาไปหน้ากรอนไกลส่วนม น, นาบิดานั้นก็เช่นเดียวกันเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเป็นแม่สีเรือนเมื่อว่างจากหน้านาท่านจะอิ้วไายขิดไายกวักไม้ใส่เชิงอักติดตั้งเฟืมแล้วจึงต่ำหูพ่อแม่ของเราเข้าลักษณะที่โบราณท่านว่าผัวทอเมียพายผัวหาบเมียหาม ท่านทั้งสองทางานทาบุญหัวเพียงกันหมายความว่าหัวใจและหัวคิดพร้อมเพียงกันในการทำหน้าที่การงานไม่เกี่ยงงอนแม้การบุญการกุศลก็พร้อมใจกันทำไม่เคยขัดข้องหรือหมองใจกันปีพุทธศักราช2459กก่อนที่เราจะมาเกิดโยม น, นาของเราได้สุบินนิมิตว่าในราตรีดึกสงัดคืนหนึ่งได้ฝันเห็นดาวดวงหนึ่ง มีแสงรัศมีเปล่งสุกสกาวโชดช่วงลอยเด่นประหนึ่งว่าอยู่ในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์อารามงามยิ่งหาที่ต้องติมีได้เลยในภาพแห่งความฝันนั้นยังเห็นเหล่าท่านผู้มีบุญประพฤติศีลธรรมอันดีงามสงบเยือกเย็นปรากฏเห็นเหล่าถวยเทพเหาะรายร้อมคาระวะเวียนไหวดวงดาวจรัดแสงดวงงามเด่นนั้นแล้วอีกไม่นานนักดาวดวงงามเด่นนั้น ก็ลอยหมุนวนลงมาจากสวงสวรรค์มาสู่ท้องฟ้าน้ำผากาศและลงสู่พื้นดินล่นร่วงลงมาอยู่ตรงเบื้องหน้าสวยงามสดใสเกินที่จะกล่าวโยมมานดาของเราจึงรีบเอากระพุ่มมือทั้งสองยื่นออรับในฝันนั้นได้เกิดความปีติยินดียิ่งกว่าได้สมบัติใดๆแม้ตื่นจากฝันปีตินั้นก็ยังปรากฏอยู่ประหนึ่งว่าความฝันนั้นเป็นความจริง เมื่อโยมมารดาฝันอย่างนั้นด้วยความตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงนําความฝันอันเป็นมงคล น, นั้นไปนเล่าให้ตากัรชากับยายแจะปู่สมบัติกับย่าแหดฟังและบอกเรื่องราวที่ตนตั้งครันท่านเหล่านั้นจึงให้ตามหมอโหนในหมู่บ้านมาผูกดวงหมอโหนได้ทํานายความฝันไว้ว่าความฝันนี้เป็นฝันดีวิเศษนักไม่พึงปรากฏแก่ใครได้โดยง่ายเชิรอยจะเป็นบุญบรรดาล พวกท่านจะได้คนเอกเป็นมิ่งมงคลมาเกิดในตระกูลปักกีสีนังจะต้องเป็นบุรตรรฐใชายชาติอาชาันเป็นแน่แท้และจะได้ออกบวชมีชื่อเสียงโด่งดังกระชอนไปทั่วทุกทิศมีคนนับถือมากมายไดเก้าเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาสมกับเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรสและได้สร้างขอบเขตสีมาอารามใหญ่โตและหมอโหนได้ทานายต่อไปอีกในยัหนึ่งว่าอีก9เดือนข้างหน้า ตรงกับเดือนพฤษภาคมเดือนหปีมามียอันเป็นปีมา้าเด็กคนนี้จะตกคลอดออกจากคันตามโหราศาสตร์โบราณท่านถือว่าขี่ม้ามาเกิดอันเป็นม้าอัศวเทพมีนิสัยปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วเวลาดือ้อจะดื้อสุดพนานาจะทำอะไรจะต้องทำให้ได้เอาใจคนเจ่งสุภาพเรียบร้อยชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทาอะไรที่ท้าทายเป็นคนระห่า มักมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพื่อนมากเกรียดคนไม่ตรงเวลาและไม่รักษาคำพูดเป็นคนซื่อสัตย์แต่ไม่ยอมเสียเปรียบมีไหวพริบในการตกลงหรือเปลี่ยนใจในพริบตาปูา่ย่าตายายและญาติพี่น้องเหล่านั้นเมื่อได้ทราบคำทํานายเช่นนั้นก็มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโยมแม่ของเราได้เคยคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายหลายคนแต่ว่าได้ตายไปทั้งหมดท่านจึงคิดว่า คราวนี้จะได้คนบุญมาเกิดจะต้องดูแลรักษาถนอมเลี้ยงระมัดระวังเป็นอย่างดีในขณะตั้งคันต้องรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทําทานอย่าได้ขาดแม้ขณะที่อยู่ในคันญาติพี่น้องชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือโดยถือเหตุว่าคนมีบุญจะมาเกิดหลวงปู่สีท่านกล่าวเน้นย้าในเรื่องนี้ไว้ว่าด้วยเหตุนี้เองเมื่อเราเกิดแล้ว บิดามารดาและญาติญาติจึงรักเรามากไม่เคยดูด่าว่ากล่าวด้วยคําพูดอันหยาบคายตามใจทุกอย่างเราทําอะไรผิดนิดผิดหน่อยคําน้อยท่านก็ไม่เคยบน่นอยากได้อะไรบิดามารดาสรรหามาให้จนหมดถึงวันพระวันสําคัญญาติพี่น้องชาวบ้านต่างหาดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาเราโดยถือเหตุว่าเราเป็นคนมีบุญได้มาเกิดแล้ว